พระองค์พาสุขณที่นั้นพระองค์อยู่ที่ป่าที่ป่าอิสิปตนมฤกทายาวันเนี่ยนะสงเคราะใครก็สงคราะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสงเคราห์พระภิสุ ป, ปัญจวัตรีพระยาศา พ, พร้อมทั้งสหายก็ทำให้มีผ้ารัานเกิดขึ้น51องค์ในโลกนนะที่เฉพาะในพรรษาแรกเนี่ยนะก็รูปเนี่ยนะรูป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 ใ น, นพรรษาที่สพรรษาที่3ที่4ี่ก็อยู่ที่เวรุวันมหาวิหารอีกนเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐที่มีอํานาจเป็นรัฐที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพราะฉะนั้นเป็นศูนย์รวมของการค่าเป็นศูนย์รวมของพ่อฆ่าประชาชนเป็นศูนย์รวมของรัฐที่เดียรอะของนักสแสวงบุญนะนะถ้าใครจะทําบุญสแสวงบุญ เรียว่าเป็นเป็นแหล่งรวมจริงๆเลยเป็นแหล่งรวมของพวกฤษีอะไรเป็นต้นพันพ่ะ อ, องค์ก็อยู่ที่นั่นช่วยสงเคราะห์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ตรัสรู้ธรรมอันพรรษาที่สองสามสี่ก็ประทับอยู่ที่เวลวันมหาวิหารส่วนพรรษาที่ห้าอันนี้ก็ประทับอยู่ณนะกูตาคารศาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลีเนี่ยนะก็แถวแถวที่เราไปหอมผ้านั่นแหละที่จะไปหอมผ้าที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันเนี่ยนะ ส่วนพรรษาที่หก็ประทับอยู่ที่มกุละบรรพศภูเขาตรงนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้มกุละบรรพศเนี่ยนะพรรษาที่เจ็ดปกติพระ อ, องค์ก็จะจําพรรษาที่ดาวดึงพิภพเนี่ยนะหลังจากที่แสดงย่ามะกะปาฏิหารเนี่ยนะย่ปะกะปาฏิหารที่ที่เมืองสาวัตถีเนี่ยนะสาวัตถีะตรงใกล้ๆเมืองสาวัตถีที่เขาเรียกว่าควงคันดามะพฤกเนี่ยนะ พระองค์ก็แสดงยงมกกาปารติฐานจบเสร็จปโปรดแสดงธรรมสงเคราะห์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ก็เสด็จจำภาษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงอภิธรรมปิดกปโปรดพุทธมารดาพรรษาที่แปดพระองค์ประทับอยู่ณเพสกาลาวันสุงสุมาราคีรีแควมภคะในภะคะชนบทก็เพื่อโปรด อ, อ, อุบาสกอุบาสิกาและก็มีอุบาสกบาสิกาอยู่คู่หนึ่งที่ เป็นอดีตพ่อแม่ของพระ อ, องค์มาติดกันห้าร้อยชาติแล้วก็เป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นปู่คือเกี่ยวพันกับพอเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเหมือนกับว่าเห็นลูกที่จากไปนานอย่างนั้นเพราะว่าเกี่ยวพันกันประมาณพันห้าร้อยชาติติดกันน่นนะก็เรียกว่าถึงก็เรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าเรียกลูกได้เลยนี่นะและพระ อ, องค์ก็ไม่ห้ามอะไรเพราะว่าเคยสัมพันธ์กันมานานขนาดนั้นพระ อ, องค์ก็ประทับจำพรรษาที่แปดที่เมืองนั้น ส่วนพรรษาที่เก้าพรรษาที่เก้าเนี่ยพระองค์ประทับจําพรรษาอยู่ณเมืองโกสัมพีเนี่ยนะโกสัมพีที่วัดโคสิตารามของท่านโคสกเกษธีเนี่ยนะที่โคสิตารามวัดของโคสกเศรษฐีแล้วก็หน้าที่แห่งนั้นนี่ยหลังจากนั้นก็มีพระพิสุทธะทะเลาะกันพรรษาที่สิบพระองค์ก็ไปจําพรรษาอยู่ที่ราวป่าปาลิลัยยกะมีช้างอุปถักภ์อยู่ที่นั่น สารพรรษาที่สิพระองค์ ก, ก็ประทับณนะบ้านพราหม์ชื่อว่านาลาณนะทัคคินาคิรีชนบทการที่พระองค์ประทับบ้านพราหม์ชื่อว่านาลาเนี่ยแหละเป็นเหตุให้พระองค์แสดงกสิภาระทวาดชาสูตรเนี่ยนะสูตรที่แสดงเปรียบเหมือนกับการไถนาก็แสดงประมาณพรรษาที่11นั่นแหละส่วนพรรษาที่12พระองค์ ก, ก็ไปประทับอยู่ณนะเมืองเวรัญชาครวับไปประทับอยู่ที่ใกล้โคนต้นเสดา ที่อาคีรวันนาเลรุปุจิมันทมูเล่เนี่ยนะอาคีรวันที่ที่โขนต้นเสดาที่นาเลรุยักษ์สิงสถิตใกล้เมืองเวรัญชาที่เวรัญชพรามเข้าไปหาฟังธรรมนี่ยนะพรรษาที่13บสาองค์ประทับอยู่ณจาริยบรนพศจาริยบรรพศเนี่ยเป็นภูเขาใกล้เมืองจาริยะเป็นเมืองที่แค่ว่าวตอนสร้างในแผ่นดินไหวว่า ง, งั้นก็เลยเรียกว่าจาริยะบรรพศ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 อาณาจักรของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยจะช่วยเหลือเกื้อกูลในการประกาศพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้เต็มที่พระองค์ก็ประทับอยู่แถวแถวเมืองราชครกเนี่ยค่อนข้างบ่อยพอในช่วงพรรษาหลังๆมาเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็รับพระเจ้าชาติศัตรูมากเริ่มให้อำนาจพระเจ้าชาติศัตรูมากขึ้นมันเมืองราชครกมันจะเริ่มปั่นป่ว น, นพอสมควร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 ราชกุมารที่อาร ว, วะยักษ์จะ ก, กินเนี่ยจะเป็นอุปถาทัที่ที่ใหญ่มากเป็นอุปถัมคนสําคัญคนหนึ่งเลยแหละส่วนพรรษาที่17บพระองค์ก็มาจำพรรษาที่เมืองราชเครือกอีกจําพรรษาอยู่ที่เมืองราชครืกพรรษาที่18ก็มาประทับอยู่ณนะจารยะบรร พ, พศพรรษาที่19ก็ประทับอยู่ที่จารยะบัรพศเหมือนกันพนจารยะบรนพศเนี่ยประทับอยู่ สามพันษาเนี hmm. <p ens ities> ่ยนะจารยยะบรนโพชแสดงว่าสปายามากพระองค์เลือกจำพรรษาตั้งสพันษาส่วนพรรษาที่ยี่ก็ประทับอยู่ที่กรุงราชครือแสดงว่าพระองค์จำพรรษาอยู่ที่เมืองราชเครือเนี่ยห้าพันษาพรรษาที่สองสามสี่แล้วก็สิบเจ็ดและยี่สิบพรรษาที่สองสามพรรษาที่4ีพรรษาที่สิบเจ็รรษาที่ยี่สบประทับจำพรรษาอยู่ที่เมืองราชครกเนี่ยนะอาจจะเป็นที่เขาคึ้จกูดหรือ สวนของหมอชีวกโกมารพัฒ์หรืออะไรน่แถวๆนั้นนะหรือที่ตะโปธารามเขคือสามารถอยู่ได้หลายแห่งด้วยกันแต่ว่าสรุปว่าในเขตเมืองราชครึกนั่นเองเพราะฉะนั้นที่ที่บอกว่าถามว่าพระพุทธเจ้าแสดงเมื่อไหร่ข้างก็ย้อนทบทวนว่าช่วงยี่สบพรรษาแรกเนี่ยพระ อ, องค์อยู่ไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นประจำแม้แต่แห่งเดียวที่ไหนพระ อ, องค์อยู่ผาสุข คำว่าพาสุกของพระพุทธเจ้าหมายกับว่าที่ใดจะสงเคราะห์อนุเคราะห์มวลเวนัยศัตร์ทั้งหลายให้ตรัสรู้หมายกับว่าอยู่ที่ไหนมีประโยชน์ที่สุดพงจะอยู่ที่นั่นไม่ใช่ว่าอยู่ที่ไหนใครดูแลดีก็อยู่ที่นั่นนานไม่ใช่อย่างนั้นหมายกับว่าอยู่ที่ใดจะเป็นไปเพื่อสงเคราะห์เทวดาและมนุษย์ให้ตรัสรู้ธทำได้มากพงก็อยู่ที่นั่นนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะพรรษาที่ยี่สิบเอ็ดเรื่อยมาก็ประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารและก็ปุกพาราม ใกล้กรุงสาวัตถีก็เลือกอยู่สองวัดเนี่ยนะปุปารามนอยู่ที่ตะวันออกของเมืองสาวัตถีเชตวันอยู่ทางทิศใต้พระองค์ก็จะเข้าอดนะคือสลับกันกวันละคืนเนี่ยนะคืนนี้อยู่เชตวันคืนพรุ่งนี้อยู่ปุพารามคืนนี้อยู่ปุปารามวันหลังก็มาอยู่เชตวันก็สลับไปสลับมาอยู่อย่างนี้จนถึงพรรษาเกือบสุดท้ายเน่ยเพราะว่าพรรษาสุดท้ายพระองค์มาประทับอยู่ที่เมืองไพราลีอีกครั้งหนึง่ง ประทับที่เมืองไพราลีเพราะตอนนั้นพระเจ้ า, าชาติศัตรูเนี่ยเตรียมจะจะยกยกทัพเนี่ยไปตีเมืองไพราลีอั้นการที่พระองค์ไปประทับอยู่ที่เมืองไพราลีในช่วงนั้นเนี่ยนะพระเจ้ า, าชาติศัตรูก็เกรงใจสงครามก็จะสงบระงับพอที่จะโปรดมูสัตว์ให้บรรลุมรคผลอีกในมากมายเนี่ยองค์ก็ไปจำพรรษาณที่นั้นออกพรรษาก็ามาเมืองสาวัตถีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็หลังจากนั้นจึงเสด็จไปเพื่อปรินิพาน อันนี้ก็ทบทวนพุทธประวัติเนี่ยนะทบทวนพุทธประวัตินี่หนึ่งบอกว่าเมื่อใดพระศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเมื่อไหนก็คือตอนที่ตรัสรู้แรกๆเลยใช่ไหมตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือนหกรกระหว่า ว, าวิสาขะเลิกกันนะวันเพ็ญเดือนวิสาขะก็คือวิสาขะเลิกวันเพ็ญเดือนหกเนี่ยวันนั้นพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นพระองค์ก็เสวยวิมุติสุขอยู่สี่ิบเก้าวันเนี่ยนะสี่ิบเก้าวันก็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 เคร่งที่สุดว่างั้นเถอะเคร่งที่สุดที่โลกเขานับถือว่าอารหันเนี่ยนะโลกนับถือว่าอารหันทั้งประชาชนชาวอังคาและชาวมคตเนี่ยให้ความสําคัญนับถือพิเศษเลยก็คือเจเดนสามพี่น้องอุรุเวและกัสปะซึ่งมีบริวารห้าร้อยเนี่ยนะนาทีกัสปะมีบริวารตั้งสามร้อยและขยากัสปะมีบริวารสองร้อยเนี่ยมะะันมีบริวารตั้งพันเนี่ยกลุมลัที่นั้นเนี่ย ม, มีมีสำนักใหญ่มากเลยนะสำนักนี่มี ห้าร้อยอยู่ห้าร้อยเนี่ยอยู่สามร้อยอยู่สองร้อยเนี่ยแล้วก็สามพี่น้องอย่างนี้ด้วยโหคนนับถือมากแม้กระทั่งประเทศไทยเนี่ยยังหายากเลยสํานักที่เรียกว่าสำนักปฏิบัติใหญ่หญขนาดนั้นอ่ะนะมันก็คนเนี่ยประชาชนเนี่ยขึ้นเป็นรัดรัดเลยเป็นควน้ควนๆเลยดังั้นการที่จะไปโปรดเมืองราชเคิกได้เนี่ยจะต้องสงเคราะห์อสองสำนักนี้ก่อนอ่าขอไปสงเคราะห์สํานักชะินนี้ก่อนถ้าโปรดได้สําเร็จก็ ก็เรียบร้อยนะพระองค์ก็มาอยู่โปรดที่นั่นอยู่นานมากเลยนะอยู่สงเคราะห์เสด็จสามพี่น้องอยู่เป็นเดือนๆจนถึงกลางเดือนพุทธสมาธิประทับอยู่ที่นั่นสองเดือนก็คือสงเคราะห์นี่ตั้งสองเดือนครั้งแรกเนี่ยนะเดือนแรกเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยคือคือสอนอะไรไม่ได้มีแต่การแสดงปาฏิหารพระพุทธเจ้าอยู่ตรงเนี้ยสองเดือนแสดงปาฏิหารประมาณ 3,500 ประเภทได้ไหม ก็เสร็จแล้วก็จึงดแสดงอาธิตตะปริยายสูให้เฉดินสามพี่น้องบรรลุมรรคผลหลังจากนั้นก็มีชฉดินสามพี่น้องพร้อมทั้งบริวารหนึ่งพันนั่นแหละจึงเข้าไปในเมืองราชครึกเนี่ยนะเข้าไปเมืองราชคึกผลสรุปว่าตั้งแต่เมืองพารณสีไปจนถึงเมืองราชครึกเนี่ยนะใช้เวลานานเท่าไหร่ห้าเดือนคือหลังจากออกพรรษามาจนถึง เข้าเมืองราชจะครึกเนี่ยเขาบอกว่ า, วากินเวลาห้าเดือนทีนี้หลังจากนั้นฤดูหนาวผ่านไปคือมันหลักการมันเป็นอย่างนี้ว่าวันออกพรรษาเนี่ยเหลือฤดูฝนอีกหนึ่งเดือนแล้วก็เข้าฤดูหนาวอีกสี่เดือนพอฤดูหนาวผ่านไปเพันหมายคขาว่าหลังจากวันออกพรรษานับอีกห้าเดือนก็เท่ากับว่าวันหมดกรถินพอดีเลยเรียกว่าหมดเขตกรถินก็คือโน่นแหละประมาณเดือนสามพอประมาณแถวแถวกลุ่มพาแล้วล่ะแถวนั้นแหละ ทีนี้เมื่อรุดูหนาวสิ้นไปรดูหนาวสิ้นไปก็แปลว่าหมดหน้าหนาวก็หมดหน้าหนาวก็ประมาณแถวๆนั่นะกุมภามีนาเนี่ยแถวนั้นะจากนั้นนับตั้งแต่ น, นั้นมาเนี่ยนะพระอุทายีพ อ, เ, อเป็นทูตนะเป็นราชทูตที่พระเจ้าสุโธทนะส่งมาก็มาอยู่ณนะที่นั้นเนี่ยหลังจากบรรลุปเป็นพระทหารประมาณเจ็ดแปดวัน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 แม้สมควรที่จะไปจริงๆนะชมอยู่60สคาถาเพื่อประโยชน์แก่พระองค์จะได้เสด็จไปยังพระนครแห่งสกุลจะได้ไปสงเคราะห์ตระกูลครั้งนั้นพระษาสดาเนี่ยนะสระคำของท่านพระอุทายีพระองค์ก็มีพุทธประสงค์จะทําการสงเคราะห์พระประยุรยา่าด้วยใจกรุณามุ่งที่จะปลดเปลื้องให้พระประยุระญาตพ้นจากทุกข์ให้ประยุรยญาทั้งหลายประสบความสุข พระองค์ก็แวดล้อมไปด้วยผ้ารหัน์ทั้งหมดด้วยกันสองห0ื่นรูปมีแต่ผ้าหันอย่างเดียวเลยนะสอง0 0ื่รูปผ้าหันสองห0 0 0นรูปเอามาจากไหนกุลบุตรชาวอังคาชาวมาคตเนี่ยประมาณหมื่นรูปอังคามาคตก็คือใครบ้างอะกลุ่มชะดินสมพี่น้องกลุม่มบริวารพระสารีบุตรกลุม่มพวกที่เลื่อมใสแต่สรุปว่าตอนที่พระองค์อยู่ที่นั่นเนี่ยหลายเดือนเนี่ยมีประชาชนเนี่ยออกบวชมากมายแล้วก็กุลบุตรที่ มาจากกรุงกบิลพัฒน์อีกหมื่นรูปคือพระเจ้าสุดโทธนะเนี่ยนะส่งอมาตะไปสิบนายพร้อมทั้งนายและทหารละพันละพันละพันสิบนายบวกทหารอีกสิบพันก็เท่ากับหมื่นหนึ่งนะก็ไปบรรลุปเป็นพราอทหารหมดพรองพร้อมด้วยพระพิษุอรหันสองหมื่นรูปสเสด็จหนทางประมาณหกสิบโยต์ผลจากเมืองราช จ, จะครึกไปเมืองกบิลพัฒน์เนี่ยนะหกสิบโยต์เดินทางวันลโยต์เดินทางสองเดือนจึงถึงพอไปถึง พระญาติทั้งหลายเนี่ยไม่ถวายบังคมพระพุทธเจ้าเลยทุกคนเนี่ยกระด้างมากเว้นแต่พวกอายุต่ำกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ก็เลยแสดงยมกะปาติหารเปรียบเหมือนการโปรยฝุ่นละองทุลีลงบนเสียงของพระประยุรญาตพระประยุรญาก็เลยถวายบังคมพอถวายบังคมขณะที่สัตวองค์กาลังแสดงยมกะปาติหารหลังจากนั้นเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงคำภาษาริบบทก็มาทูลถามปัญหาพระองค์ก็เลยแสดงคำผีพุทธวงศ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 พระโมกขลีบุตรนี่อยู่ในสังขยานาครั้งที่สมล้นะสังขยานาครั้งที่แรกก็คือรุ่นพระนนใช่ไหมสังขยานาครั้งที่สองก็รุ่นพระสิขาวครั้งที่สมก็พระโมคขลีบุตรแล้วก็หลังจากนั้นก็พระสุทธตะพระธรรมิกะพระทาสกะพระโสนกะพระเรวตะก็คือกลุ่มกลุ่มพร ะ, ะที่นําไปสูกก่เกาะศรีลังกาเนี่ยนะเป็นต้นก็นําสืบกันมาจนถึงสังขยานาครั้งที่สหมายคถาว่า พอถึงสังขย า, าครั้งที่สามลูกศิษย์ของพระเถระเหล่านั้นก็ช่วยกันนํามาเพราะฉะนั้นอาจารย์เหล่านั้นคือพระอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ช่วยช่วยสรงจําสืบสืบกันมาตราบเท่าจนถึงปัจจุบันนี่ก็เป็นการตั้งคําถามเพื่อจะให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับคัมภีร์พุทธวงศ์ว่าคัมภีร์พุทธวง์นั้นไปอย่างไรมาอย่างไรก็เลยตั้งคําถามเจ็ดคำถามเนี่ยนะถ้าตอบได้ก็แสดงว่าเข้าใจ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 พุทธคัมภีร์พุทธวงศ์เนี่ยเป็นคำของใครจริงๆบอกเป็นของพระพุทธเจ้าและใครนำสืบมาบอกภาษารีบุตรเป็นต้นนำสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะก็เป็นคำถามย่อดๆเจ็ดคำถามส่วนเกี่ยวกับผู้ที่จะศึกษาพระธรรมนะนะศึกษาพระธรรมเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องราวเรียกว่านิทานนิทานเนี่ยแปลว่าเหตุนะเหตุเกิด เหตุเกิดหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นมาโดยลำดับกเรียกว่นนานิทานท่านพระพุทธตะท่านบอกว่าจะพันานาขยายความคมพีพุทธวงศ์นั้นเนี่ยนะที่มีการนำสืบต่อกันมาอย่างนี้อ่ะก็เหตุที่การพันานาเนื้อความอธิบายขยายความคมภีพุทธวงศ์เนี่ยมันมันมีความจําเป็นมากที่จะต้องแสดงนิทานสามอย่างคือเหตุเกิดสามอย่าง หมายคือว่าเหตุเกิดเหตุเกิดของความเป็นพระพุทธเจ้านี้สามสามตอนอ น, นะคือคือต้องแบ่งชีวิตของพระพุทธเจ้าถามว่าชีวิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนับตั้งแต่เมื่อไหร่นับตั้งแต่นั่นเป็นสุเมศบัณฑิตมาจนถึงดับขนบันปริเนพานเขาจะมีการแบ่งชีวิตช่วงตั้งแต่เป็นสุเมศบัณฑิตจนถึงดับขนบันปริเนพานก็มาแบ่งเป็นช่วงๆพันการที่จะอธิบายพระพุทธพจน์ได้เนี่ยนะอธิบายคัเพียอธิบายพระธรรมได้จะต้องเป็นคนที่มองอย่างเนี้ย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 ได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าพระนามวัถีปังกรไปจนถึงพระองค์ดับขันปริณพานเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องราวอย่างนี้ถ้าอย่างเงี้ยพันน า, นาการขยายความเนี่ยมันไม่ยากอธิบายง่ายแล้วก็ผู้ที่ฟังแล้วก็จะรู้เรื่องได้แล้วก็รู้เรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่เหตุที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธาตะบอกว่าจะต้องแสดงนิทานให้ฟังก่อนแสดงเรื่องราวนะนิทานไม่ใช่นิทานเล่านิทานอิศร ที่ที่ยกเรื่องราวขึ้นมาในลักษณะนั้นไม่ใช่หรือว่ายก ok ขึ้นมาอุปมาอุปไมยก็ไม่ใช่คำว่านิทานแปล ว, ว่ า, ร เ, าว เ, นะเรื่องที่เคยมีมาแล้วในอดีตเนี่ยนะเรื่องที่เคยมีมาแล้วในอดีตเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านบอกว่าเรื่องสามเรื่องเนี่ยน ะ, ะเรื่องไกลเรื่องไม่ไกลหรือเรื่องใกล้ท่านจะแสดงแต่เฉพา ะ, ย, ย, ะย่อๆเช่นว่าทูเรนิทานก่อนเรื่องที่อยู่ไกลามากตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่พระมหาสัต คือสุเมธบันดิตเนี่ยนะบำเพ็ญบารมีแทบเบื้องบาทของพระพุทธเจ้าพระทศพลพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร น, นะบำเพ็ญบารมีทั้งหมดจวบจนจุติจากอัตภาพพระเวสสันดรแล้วไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเรื่องราวตั้งแต่สุเมธบันดิตจนถึงสันดุสิตเทพบุตรเนี่ยนะเรื่องตั้งอนุมาตั้งศรีสงไขามาจนถึงกลับเนี่ย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 ได้ตรัสรู้สัพพัญยุตยานที่โพธิมณฑลโพธิมณฑลเรื่องราวตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงตรัสรู้เรียกว่าอาวิทุเรนิธานไม่ไกลเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะนับตั้งแต่ชาติที่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะตั้งแต่อยู่ในคันจวบจนตรัสรู้เรียกว่าไม่ไกลนะนะไม่ไกลเท่าไหร่แต่พูดสมัยนี้ก็ใกล้ไกลนะนะตั้งสองพันกว่าปีแล้วเนี่ยนะไกลามาก ส่วนเรื่องที่ไม่ไกลเนี่ยนะเรียกว่าสันติเกณิฐานเนี่ยไม่ไกลเนี่ยตั้งกันไหนตั้งแต่พระองค์บรรลุพระสัพพัญญุตยานนับมหาโพธิมณฑสถานกวคือโดยรอบสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจนถึงเตียงปรินิพานคือคือช่วงระยะเวลาสี่ิบห้าปีแรกแรกตรัสรู้จนถึงเตียงปรินิพ า, า, านในระหวานน่างนี้ไม่ว่าพระองค์ประทับอยู่ณนะที่ใดใด ที่ตรงนั้นเรียกว่าสันนิเกนิธานหมดเรื่องไม่ไกลเช่นอะไรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสาวัติยังวิหารตีเชตวันนียนาถปินทิกาสาราเมเอเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เรื่องไม่ไกลเนี่ยนะก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทรับอยู่นะพระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถปินทิกาเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีหรือว่าเอกังสมยังพระกวาอานเวรุวันนางกาลันทการนิวาปะ เป็นต้นก็คือที่พ อ, องประทับอยู่ที่เวลวันการันตการนิวาปาสถานใกล้กรุงราชครึกหรือว่าในกรุงราชครึกเนี่ยนะหรืออย่างเช่นที่ประทับที่กูตาคารศาลาป่ามาหาวันกรุงไผ่สาลีอันนี้ เ, าเราเรื่องไม่ไกลสรุ ว, ว่าช่วงเนื้อหาเรื่องราวที่อยู่ในระหว่าง45ปีที่บำเพ็ญพุทธกิจบำเพ็ญพุทธกิจกิจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อสงเคราะห์เวนยศัสตร์ทั้งหลาย อันนี้ถือว่าเรื่องราวที่อยู่ไม่ไกลเกิดถ้าหากว่ามองชีวิตของพระพุทธเจ้าสาระยะอย่างนี้เนี่ยนะสมระยะระยะไหนระยะแรกระยะตั้งแต่เท้าเท้าของพระพุทธเจ้าทีบังกรจนถึงยูดุสิตจากดุสิตมาจนถึงตรัสรู้จากตรัสรู้ถึงปรินิพานพาว่าถ้าเข้าใจเรื่องราวสามขั้นตอนนี้แล้ว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 จะได้รู้ว่าเออเหตุเกิดที่กม1นึ่งอมสกอมอที่เท่าไหร่มันสมมติว่าทักสักหมื่นกอม อ, อย่างเงี้ยหมื่นกออิโลเออเรื่องราวที่กออิโลที่80กออิโลที่สามพันเป็นต้นเนี่ยนะระยะทางเป็นหมอื่นหมื่นกิโลก็ได้เข้าใจอ่ะนะจะได้มองภาพว่าความเป็นไปเป็นมาเป็นไปอย่างไร